บัตรนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปธรรมะที่พระพุทมีประภากจ่าทรงแสดงว่าเป็นหลักธรรมที่บุคคลควรตั้งไว้ภายในใจในการกาหนดพิจารณาถึงร่างกายว่าประกอบด้วยาธาตุทั้งหกดังกล่าวนั้น ทรงเริ่มต้นด้วยให้เสริมสร้างปัญญาขึ้นไว้ภายในใจคือเป็นหลักใจเพราะชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญานั้นเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดความแตกต่างของบุคคลทั้งหลายในโลกนี้เป็นเรื่องของคุณภาพแห่งปัญญาที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นมากน้อยแตกต่างกัน แม้แต่พระอริยเจ้าทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นผู้ที่เสริมสร้างปัญญาขึ้นจนอยู่เหนืออำนาจของกิเลสทั้งหลายแม้จะอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความกำหนัดรักคข่ยินดีเป็นต้นแต่เนื่องจากจิตใจของท่านหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสด้วยปัญญาที่ประจักษ์แจ้งแล้วอารมณ์เหล่านั้นก็ไม่สามารถ ที่จะทำอะไรต่อท่านได้ท่านจึงไม่แสดงอาการขึ้นขึ้นลงล ง, ลงทั้งในยามประสบความสุขและในยามประสบความทุกข์ซึ่งข้อนี้ในระดับที่ลดหลั่นลงมานั้นบุคคลสามารถกำหนดพิจารณาดูจิตของตนเองได้ว่ามีเรื่องราวเป็นนันมากที่ในสมัยก่อน เราได้ตกอยู่ภายใต้อํานาจของสิ่งเหล่านั้นมีความหวั่นไหวมีความทุกข์มีความโศกมีความยินดีเพลิดเพลินไปตามสิ่งเหล่านั้นแต่ปัจจุบันนี้ก็มีสิ่งเป็นนั้นมากที่ไม่มีอํานาจครอบงำจิตใจเราได้ทั้งนี้เป็นผลของอะไรเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการเสริมสร้างปัญญาจนเข้าใจเหตุผลแห่งธรรมชาติเหล่านั้น แล้เข้าใจสภาวะอันแท้จริงของสิ่งเหล่านั้นได้ถ้าหากว่ามีการพัฒนาปัญญาให้สูงขึ้นไปก็จะมีความรู้มีความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นถ่ายถอนตันหามาณทิฐิออกไปได้มากขึ้นนั่นก็คือความสงบเจ็นที่บุคคลสามารถสัมผัสได้ในชีวิตปัจจุบันธรรมะคือปัญญาจึงกลายเป็นอุปการะธรรม ที่มีความสําคัญในการประพฤติปฏิบัติตั้งแต่เบื้องตน้นจนถึงจุดหมายปลายทางอันสูงสุดในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ดีพระปัจเจ้าพระพุทธเจ้าก็ดีพระหันตสาวกทั้งหลายก็ดีนั้นที่ได้ชื่อพระพุทธก็คือเป็นผู้รู้เป็นผู้เบิกบานแต่ถามว่ารู้อะไรก็รู้ด้วยปัญญาถึงความจริงแห่งสิ่งทั้งหลาย ที่มีอยู่เป็นอยู่อย่างไรอย่างไรก็รู้อย่างนั้นรู้ถึงภาสภาวะของสิ่งเหล่านั้นรู้เหตุเกิดของสิ่งเหล่านั้นรู้ความดับแห่งสิ่งเหล่านั้นรู้ถึงปฏิปทานเป็นข้อปฏิบัติที่จะนำตนให้เข้าถึงความดับจากสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นการดาเนินไปตามขั้นตอนของอริยสัจ ท, ทั้ง4ประการดังนั้นปัญญาจึงทรงสั่งสอนว่า บุคคลไม่ควรประมาทปัญญาคือให้เพียรพยายามเสริมสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นตามกำลังความสามารถของตนแล้วผลในระดับนั้นๆบุคคลก็จะสัมผัสได้ในชีวิตประจำวันนี้เองธรรมะระดับต่อไปทรงใช้คำว่าสัจจะมนุรักษเอยะซึ่งแปลเป็นใจความว่าบุคคลพึงตามรักษาซึ่งสัจจะ แต่ว่าสัจจะในที่นี้ทรงเน้นไปในข้อที่เรียกว่าสัจจทิฏฐานโนคือให้ตั้งสัจจะให้ดํารงมั่นคงอยู่ภายในจิตใจของตนซึ่งเริ่มต้นจะต้องอาศัยปัญญามองให้เห็นสัจจะในสองชั้นและอย่าเอาสองชั้นเหล่านั้นมาให้สับสนปนเปนกันเพราะจะเกิดปัญหาในการประพฤติปฏิบัติ สัจจะในชั้นแรกนั้นคือสมมติสัจจะเป็นโบหารของชาวโลกเป็นการกำหนดปมายของชาวโลกเป็นการเรียกร้องของชาวโลกและเป็นการสมมติขึ้นของชาวโลกในเรื่องดหลนั้นในเรื่องของสมมติสัจจะที่ก่อให้เกิดเป็นปัญหาถกเถียงกันอยู่มากนั้นเพราะบุคคลไม่ยอมรับในแง่ของการสมมติในแง่ของการบัญญัติแม้แต่วัตถุพัสดุสิ่งหนึ่ง ในที่หนึ่งอาจจะเรียกอย่างหนึ่งในที่หนึ่งอาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งแต่นั้นก็คือสมมติสัจจะซึ่งบุคคลไม่จําเป็นจะต้องไปถูกเถียงกันในเรื่องเหล่านั้นคือใครจะสมมุติเรียกอย่างไรก็ได้ก็ น, นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกตัวอย่างบาทที่ใช้ที่พระใช้บิณทบาตนั่นเองโดยทรงแสดงเห็นว่าบางแห่งเขาก็เรียกว่าทานะบางแห่งก็เรียกว่าปัตตาบางแห่งเรียกว่าทาวะกะเป็นต้น แต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วเป็นการพูดถึงภาชนะชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะเหมือนกระ บ, บาตรหรือว่าคล้ายคลึงกระ บ, บาตรที่ใช้ไปในการใส่อาหารในการเที่ยวพิกขาจานของนักบวชทั้งหลายในสมัยนั้นก็สรุปรวมเรียกว่าเป็นบาตรโดยภาษาอย่างหนึ่งนี่ก็คือเรื่องของสมมติสัจจะเป็นความจริงในชั้นของการสมมุติในชั้นของการบัญญัติกัน เรียกว่าเป็นส่วนของวัตกามีกุศลคือส่วนของการเสริมสร้างวัตตะหรือต บ, ตบแต่งภพชาติให้มีความประณีตยิ่งขึ้นไปในเรื่องเหล่านี้เป็นความจริงที่บุคคลจะต้องปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ฐานะของสมมติโดดนั้นซึ่งสมมติในช่วงสั้นเห็นได้การง่ายๆมากก็คือการแสดงละครหรือการเล่นต่างๆเป็นตน้น นี่คือการสมมติโดยช่วงสั้นที่บุคคลผู้ได้รับสมมุติแต่งตั้งกำหนดหน้าที่ขอบข่ายในการแสดงไว้อย่างไรก้ย เ, เพียงพยายามแสดงไปให้สมบทบาทกับที่ถูกกำหนดให้แสดงนั่นก็คือความประสบการประสบความสำเร็จในการแสดงละครในชั้นของการสมมุติ มีการจำแนกหน้าที่อันบุคคลจะพึงปฏิบัติต่อกันโดยความเอื้อเฟื้อเวลาเข้าไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันแต่ว่าชั้นของความจริงอีกชั้นหนึ่งนั้นเป็นความจริงของชั้นปรมัติ์คือความจริงที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นซึ่งเมื่อกล่าโดยสรุปแล้วปรมตถธรรมก็จาแนกแบ่งแยกออกไปเป็นเรื่องของจิตเจตสิกรูป น, นิพพาน จะให้ความละเอียดในเรื่องของจิตเจตสิกรูปทิพานเหล่านั้นออกไปจนถึงกับดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกกร น, นี้จะเห็นได้ว่าพอศึกษาในชั้นของปรมัตต์ที่เริ่มต้นมาจากวิปัสสนาปัญญาหรือวิปัสสนากรรมฐานเป็นต้นไปนั้นจะพยายามมองโดยการใช้ปัญญาในแง่ที่แยกสิ่งต่างๆออกจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นภูเขาเป็นต้น เพราะนั้นก็คือเรื่องความจริงชั้นสมมติที่เป็นการเพิ่มพูนกิเลสประเภทตันหาประเภทมานะประเภททิฏฐิให้เพิ่มขึ้นโดยลำดำับแต่การใช้วิปัสสนาปัญญานั้นต้องการจะถ่ายถอนความยึดติดในแนวดังกล่าวว่าเป็นของเราบ้างว่าเป็นเราบ้างว่าเป็นตัวเป็นตนของเราบ้างแต่ถ้าหากว่ายังมองในในแง่ของการสมมติก็คงจะยึดติดในบัญญัติเช่นนั้นอยู่ ดังนั้นต่นจึงสอนให้มองในทํานองที่แยกแย ก, แยกออกไปจนในที่สุดก็รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งเท่านั้นอย่างที่กล่าวไว้โดยสรุปในมหาสติปัฏฐานใ น, นสูตรว่าให้พิจารณากายเวทนาจิตธรรมให้เห็นว่ากายก็สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่ประการใด เรื่อก็นี้เจอพ่อนนพป้าถ้าหากเรานำเข้าไปปะปนกันมันก็เกิดความสับสนเพราะอะไรเพราะจะนำปรมัตัยไปใช้ในชั้นของการสมมติและในที่สุดจะไม่มีการเคารพกันจะไม่มีการปฏิบัติหน้าที่ต่อกันบางครั้งบางคราวก็เลยเถิดออกไปจนถือว่าไม่เป็นสัตว์ไม่เป็นบุคคลไม่เป็นตัวไม่เป็นตนไม่เป็นเราไม่เป็นเขาแล้วก็ฆ่ากันก็ไม่มีบาปมีบุญอะไรในที่สุดก็กลายเป็นการสร้างปัญหาขึ้นไป การแยกระหว่างปรมัตทสัจจะกับสมมติสัจจะจึงต้องแยกได้อย่างชัดเจนว่าเวลานี้เราพูดกันด้วยเรื่องอะไรด้วยความจริงระดับไหนแล้วก็พยายามดําเนินไปในความจริงระดับนั้นเมื่อแยกได้เช่นนี้แล้วสัจจะที่จะต้องใช้ก็ใช้ให้เหมาะสมแก่ฐานะแก่สภาวะแห่งธรรมะที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ซึ่งเริ่มต้นในการปฏิบัติจริงๆ ท่านก็สอนที่วจีสัจจะคือการพูดจาวาจาที่เป็นคำสัตย์คำจริงในเชิงของการประพฤติปฏิบัติแล้ววจีสัจจะเป็นการพูดที่ออกจะง่ายเพราะพูดตามประสาทสัมผัสของตนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์เหล่านั้นในขณะนั้นนั้นลักษณะของวจีสัจจะจึงทรงจำแนกแสดงเอาไว้เป็น8ปประการเรียกว่าอริยะโวหาร คือโวหารของพระอริยะโวหารของผู้ประเสริฐเป็นการพูดตรงตัวตามเหตุการณ์ที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์เมื่อเห็นก็พูดไ้เห็นเห็นมากเห็นน้อยก็พูดเท่านั้นพูดเท่าที่ตนเห็นเท่านั้นซึ่งในชั้นของรายละเอียดจะพบว่าบางครั้งอาจจะไม่ตรงตามข้อเท็จจริงก็ได้แต่เป็นการพูดตามที่เราเห็นจริงๆไม่มีการเสริมความ คือขยายเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ไม่มีการอำความคือทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กถ้าไม่พูดก็คือไม่พูดแต่ถ้าพูดก็จะพูดจะต้องพูดตามที่ได้เห็นมาด้วยตาของตนเองแล้วก็เมื่อได้ยินก็พูดว่าได้ยินไม่ใจพูดในสิ่งที่ตนเพียงได้ยินข่าวเล่าลือมาแล้วต้องการจะให้น่าเชื่อถือมากขึ้นก็นามาพูดว่า ตนไปพบเห็นสิ่งเหล่านั้นด้วยตนเองเพื่อต้องการเพิ่มน้ําหนักแห่งคําพูดอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นคํามุสาเป็นคําไม่จริงเพราะแท้ที่จริงนั้นเป็นเรื่องที่ตนได้ยินมาเท่านั้นเองเรื่องอะไรที่ตนทราบมาด้วยจมูกลิ้นกายคือทราบกลิ่นด้วยจมูกทราบทราบรสด้วยลิ้นทราบเย็นร้อนอ่อนแข็งด้วยกายก็พูดไปตามนั้น แต่ว่าเมื่อสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสส่วนใดจะต้องพูดตามประสาทสัมผัสส่วนนั้นเพราะในแง่ของความเป็นจริงแล้วจะพบว่าน้ำหนักของถ้อยคําที่นํามาพูดนั้นในเรื่องที่ตนได้เห็นได้ยินได้ทราบหรือรังเกียจสงสัยนั้นมีน้ําหนักที่แตกต่างกันออกไปในกรณีของการได้เห็นก็มีน้ําหนักมากกว่าแต่ว่าเรื่องที่เป็นข่าวเล่าลือนั้นมีน้ําหนักน้อยลงไป หรือบางครั้งใจของบุคคลไประแวงไปรังเกยียจไปสงสยัยไปคิดไปคาดหมายเอาเองอาจจะไม่มีมูลฐานของความเป็นจริงเลยก็ได้แต่ถ้าหากว่าเราเกิดไปตามความรู้สึกเหล่านั้นเราก็พูดไปตามนั้นสำนวนบาลีที่ท่านใช้แล้วใช้กันอยู่เสมอในกรณีของการปฏิบัติวินัยก็ดีในการให้ว่ากล่าวตักเตือนแก่การการาการก็ดีท่านก็เปิดโอกาสกว้างไว้3ด้าน คือได้เห็นก็ดีได้ยินก็ดีรังเกยียจสงสัยก็ดีให้สามารถว่ากล่าวตักเตือนแนะนํากันได้แต่ว่าเรื่องอะไรที่รังเกยียจสงสัยเราจะหักมาเพื่อมีน้ำหนักมากแล้วบอกว่าได้เห็นนั้นไม่ได้หรือว่าสิ่งที่เราได้เห็นแต่พูดประรังเกยียจสงสัยก็ไม่ได้หรือให้พูดไปตามนั้นและเรื่องที่เรารู้มาด้วยใจอย่างไรก็พูดไปตามนั้นนี้ในกรณีที่เป็นประสบการณ์ตรง คือได้พบเห็นด้วยประสาทสัมผัสแต่ในกรณีที่ไม่ได้พบเห็นไม่ได้เกี่ยวข้องทางประสาทสัมผัสคือไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ทราบไม่ได้รู้ก็พูดไปตามนั้นไม่ต้องการจะแสดงสถานะอะไรเมื่อไม่เห็นก็บอกว่าไม่ได้เห็นแม้การที่ตนไม่ได้เห็นจะเสียสถานะอะไรไปบ้างก็ตามในเมื่อไม่เห็นก็คือไม่เห็นนั่นเองเป็นการพูดแบบตรงๆตัวลงไป ก็ให้เกิดความสบายใจความปร่งใจไม่กลัวว่าใครจะมาคาดคั้นกรัวว่าใครจะมาจับผิดตนเองคำพูดในแนวนี้ท่านจึงเรียกว่าวาจีสุจริตคำว่าสุนั้นแปลว่าดีแปลว่างามแปลว่าง่ายวาจาสุจริตก็คือวาจาที่พูดแล้วดีพูดแล้วงามพูดง่าย เพราะไม่ต้องไปปรุงแต่งเพิ่มรสชาติอะไรลงไปในถ้อยคำเหล่านั้นเป็นการพูดกันตรงตัวท่านจึงเรียกว่าวจีสุจริตหรือเรียกว่าอริยโวหารที่แปลว่าโวหารของพระอริยอีกประการหนึ่งนั้นแปลว่าความสัตย์ซื่อต่อกันซึ่งหมายถึงในกรณีที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลอื่นตามสมควรแก่หน้าที่นั้นๆ ซึ่งมักจะเป็นเรื่องของสมมติสัจจะคือความจริงในชั้นสมมติในการกําหนดหมายกันก็มีความสัตย์ซื่อต่อกันซึ่งในการปฏิบัติในแนวนี้จะพบว่าตั้งแต่เริ่มสองคนขึ้นไปแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องสัจจะคือความสัตย์ซื่อต่อกันเอาไว้หน้าที่ของสามีภรรยาทรงแสดงไว้ฝ่ายละ5ข้อด้วยกันและในข้อที่สาเหมือนกันของทั้งสองฝ่ายนั้น ก็ส่งสอนในด้านให้มีความสัตย์ซื่อต่อกันสามีก็ให้ซื่อตรงต่อพัญญาภัญญาก็ให้ซื่อตรงต่อสามีเป็นการปฏิบัติธรรมะในชั้นของหน้าที่และเป็นการปฏิบัติธรรมะในชั้นของกัลยาณธรรมคือธรรมะของคนดีซึ่งก็หมายความว่าเป็นผู้รักษาศีล5ประการได้ถูกต้องสมบูรณ์นั่นเอง ซึ่งเป็นการเริ่มจากกุศลธรรมข้อใดข้อหนึ่งแล้วกุศลธรรมข้ออื่นก็จะบังเกิดขึ้นติดตามมาจากการปฏิบัติธรรมเพียงข้อเดียวก็จะเป็นได้ในฐานะต่างๆดังนั้นการสัตย์ซื่อต่อกันนั้นจึงต้องสะท้อนมาจา ก, กจิตใจที่มีความจริงใจต่อกันและแสดงให้ปรากฏออกมาทั้งทางกายกับทางวาจาเป็นความสัตย์ซื่อต่อกัน ไม่ใช่ต่อนหน้าอย่างหนึ่งแต่รับหลังอย่างหนึ่งการปฏิบัติโดยไยะนี้ออกจะมีปัญหาเพราะถ้าหากว่าพัฒนาการของปัญญาไม่มีปริมาณสูงมากพอแล้วบุคคลอาจจะรักษาสัจจะไว้ได้เมื่ออยู่ในสถานการณ์อย่างหนึ่งเช่นการกระทำของตนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของบุคคลอื่นก็คุ้มครองสัจจะของตัวเองไว้ได้ แต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปตัวเองออกไปจากสายตาของบุคคลอื่นไม่มีใครเห็นการกระทำของตนอาจจะรักษาสัจจะไว้ได้หรืออาจจะรักษาไว้ ไ, วไม่ได้ถหากว่ารักษาไว้ไม่ได้ก็แสดงว่าสัจจะนั้นยังไม่เข้าถึงจิตใจสัจจะในกรณีนี้จึงจำเป็นจะต้องอาศัยปัญญาที่พิจารณาเห็นโทษของความไม่มีสัจและ ผลคือความดีของการมีสัจจะจนกลายเป็นมีธรรมะคือสัจจะเข้าคุ้มครองใจแล้วข้อนี้จะพบว่าอย่างการสมาทานศีลก็ดีหรือการให้สัตว์ปฏิญาณอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีนั้นแต่จริงแล้วเมื่อสมาทานไปแล้วก็แล้วกันไปไม่มีใครคอยเป็นสักขีพยานในการประพฤติปฏิบัติว่าบุคคลเหล่านั้นประพฤติปฏิบัติได้หรือไม่แต่ถ้าหากว่า คุณธรรมคือสัจจะมีอยู่เป็นฐานใจแล้วธรรมะคือสัจจะนั้นก็จะคุ้มครอง จ, จิตใจของบุคคลนั้นเองก็จะอยู่ในที่ใดก็จะรักษาสัจจะเหล่านั้นเอาไว้ได้สัจจะในกรณีนี้จึงกลายตัวเป็นสัจจปฏิญานซึ่งหมายความว่ามีการตกลงมีการนัดหมายมีการให้สัจจะปฏิยานไว้อย่างไรก็จะประพฤติปฏิบัติให้ได้ตามนั้น ลักษณะของสัจจปฏิญาณบางครั้งบางคราวผู้ที่ให้สัจจปฏิญาณลงไปจําเป็นจะต้องอาศัยปัญญาเข้าพินิษฐ์พิจารณาเสียก่อนซึ่งข้อนี้เรื่องราวนิทานบุคคลต่างๆในอดีตเป็นบทเรียนอย่างดีว่าสัจจะ บ, บางอย่างที่ขาดปัญญาเป็นพื้นฐานนั้นบางทีอาจจะนําความพิบัติมาสู่ตนเองได้ยกตัวอย่างเช่นเท้าทศรถ ให้สัจจะปฏิญาณแกนางไกะยะเกศีให้นางขอสิ่งที่ต้องการและในที่สุดนางก็ไปขอราชสมบัติให้พระพรตจึงกลายเป็นปัญหายืดเยื้อในเรื่องของรามาเกียรติปฐมวงศ์ของพระพุทธเจ้าคือพระเจ้าโอกะกาก ร, ราชก็มีลักษณะอย่างนั้นอาศัยความตื่นเต้นดีอกดีใจคนแก่ได้ลูกชายเด็ก ก็พลังพระโอษฐ์ประทานพรให้มาเหสีใหม่เลือกสิ่งที่นางต้องการตัลูกโตขึ้นมาหน่อยนางเกิดเรียกร้องเอาราชสมบัติเมื่อพระองค์ต้องการจะรักษาสัจจะปฏิญาณเหล่านั้นไว้ก็จําเป็นจะต้องให้สมบัติแก่ลูกชายคนเล็กและเมื่อให้ราชสมบัติแก่ลูกชายคนเล็กลูกสาวอีกห้าคนลูกชายอีกสี่คนก็ต้องออกจากเมืองไป นั่นก็กลายเป็นเรื่องราวที่เป็นความผิดพลาดในทางประวัติศาสตร์ซึ่งถ้าหากว่าบุคคลผู้ขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาในการให้สัจจะปฏิญานแก่ใครก็ตามก็จะมีผลในทำนองเดียวกันดังนั้นเรื่องของปัญญาจึงต้องนำแม้ในการใช้สัจจะถ้าถึงชั้นของการปฏิยานแล้วจะต้องมองให้ตลอดสายของการปฏิญาน จะต้องไม่เป็นคำพูดที่มีความหละหลวมหรือผูกมัดตัวเองจนอยู่ในสภาพที่ดิ้นไม่หลุดและสัจจะปฏิญาในแนวนี้ก็กลายเป็นหลักภาสิทธิ์อย่างหนึ่งที่จำทรงกันแพร่หลายคือเมื่อพระเจ้ากรุงพาราณสีที่ออกไปเป็นหมหาโจรปริศัทไปจับคนมาฆ่ากินเป็นนันมากนั้นพระเจ้าสุตสมซึ่งเคยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ของพระเจ้าบริษัทมาได้แสดงเมตตากรุณาต่อโจรบริษัทเป็นนั้นมากจนโจรบริษัทให้พระเจ้าสุตโสมเลือกพอรอสี่ข้อด้กันพระเจ้าสุตโสมเลือกพอรแต่ละข้อนั้นเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พระเจ้าบริษัททั้งหมดพอมาถึงข้อที่สี่เขาขอให้พระเจ้าบริษัทด้วยโจรบริษัทนั้นเลิกเลิกรับประทานเลิกกิน กินกินคนเป็นอาหารโจนบริษัทไม่ยอมพระเจ้าสุตโสมจึงรับสั่งว่าบุคคลพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแต่เมื่อระลึกถึงธรรมอันหมายถึงสัจจะปฏิญาณที่ตนได้ให้ไว้ บุคคลจะต้องพร้อมที่จะเสียสละทั้งทรัพย์ทั้งอวัยวะแม้กระทั่งชีวิตเพื่อรักษาสัจจะปฏิยานเหล่านั้นไปสัจจะปฏิยานจึงต้องอาศัยปัญญาคือไม่ใช่ปฏิยานกั น, นเรื่อยๆไปเพราะบางครั้งบางคราวก็กลายเป็นเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่จะเป็นทุกข์เป็นภัยแก่ตนปัญญาจึงต้องเริ่มต้นในการใช้สัจจะส่วนนี้ สัจจะที่จะต้องใช้ในชั้นของการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในธาตุทั้งหประการเป็นปัญหาที่ยากต่อการยอมรับยากต่อการเข้าใจทั้งๆ ท, ที่มองเห็นกันได้ง่ายๆด้วยสายตาธรรมดาแต่พอบทจะใช้สายตาคือปัญญาเข้าไปเป็นิจพิจารณาแจกจั จนมีประสิทธิภาพพอที่จะถ่ายถอนตันหากาหะคือความยึดติดว่าของเราถ่ายถอนมานะกาหะความยึดถือว่าเป็นเราหรือทิฏฐิญาหะความยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนของเรานั้นกลายเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องยากต่อการที่จะถ่ายถอนเพราะอะไรเพราะบรรดากิเลสทั้งสามกองนั้นมีกำลังครอบงำจิตใจของบุคคลมากเหลือเกิน เก็บสะสมข้ามพบข้ามชาติมาเป็นเวลานานแล้วก็หมักดองอยู่ภายในจิตสันดานพร้อมที่จะขึ้นมาครอบงำใจแล้วขัดขัดทานความรู้สึกนึกคิดในแนวนั้นดังนั้นท่านจึงสอนให้มีสัจจะที่เป็นอธิฐานคือให้มีความมั่นคงที่จะเพียรพยายาม ใช้ปัญญาเป็นประทีปสองทางในการดําเนินชีวิตในการประพฤติปฏิบัติพยายามพิจารณาอยู่บ่อยๆพิจารณาอยู่เสมอมองให้เห็นว่าแท้ที่จริงร่างกายนี้เป็นที่เกาะกลุ่มประชุมกันของธาตุทั้งสประการดูในส่วนข้างในไม่เห็นก็ดูเฉพาะส่วนที่เป็นผงขนและฟันหนัง ดูด้วยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่ของสิ่งเหล่านั้นพยายามมองให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้โดยสภาพแล้วเป็นของปฏิกูลเมื่อเปลี่ยนแปลงสถานะที่อยู่ก็เป็นที่รังเกียจขยะขยงของบุคคลเหล่านั้นแม้ผมของตนเองแม้เล็บของตนเองที่เปลี่ยนจากจุดซึ่งเคเคยอยู่คนก็รู้สึกรังเกียจในสิ่งเหล่านั้น ที่จริงก็มีเชื้อของปัญญาในชั้นนี้อยู่พอสมควรแต่เพราะอาศัยตัณหามานาทิฐิที่ครอบงาใจมากดังกล่าวนั่นเองแรงประทะต่อกิเลสจึงไม่มีกำลังมากพอและในที่สุดก็ต้องพ่ายแพ้ต่อความรู้สึกเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราจึงทรงสอนให้ใช้สัจจะในรูปของเป็นสัจจาทิฏฐาน คือตั้งสัจจะให้มั่นคงอย่างลงไปในแนวของการปฏิบัติที่ทรงปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างจริงๆนั้นก็เป็นเรื่องออกกิ๋ใหญ่โตคือก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้สัสรูนั้นไอ้สังเกตว่าทรงสัต์ทรงใช้สัจจะส่วนนี้ระดับนี้คือระดับที่เป็นสัจจาอธิฐานอธิษฐานลงไปประกอบด้วยธรรม ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือความเพียรสติสัมัญญาแล้วก็มีสัจจะเป็นหลักฐานที่บั้นคงโดยอธิษฐานพระทัย์ว่าแม้เลือดเนื้อในกายของเราจะเกิดแห้งไปยังเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามถ้าหากว่าไม่บรรลุ ค, คุณพิเศษด้วยความเพียรพยายามของตนแล้วจะไม่ยอมลุกขึ้นจากอาสนะเหล่านั้นทีนี้ถือว่าเป็นสัจจาธิษฐานที่สูงสุด ในการประพฤติปฏิบัติของพระผู้มีพระภาคยะและในที่สุดด้วยคุณธรรมที่เป็นอุปการะก้าสนับสนุนการหลายข้อคือสัจจะความเพียรสติสัมปชัญญะเป็นฐานใหญ่และในที่สุดพระองค์ก็ได้สัสรูพระอนุตรสมาสัมโพธิญาณอย่างทราบกันสัจจะในชั้นนั้นจะต้องมีความพร้อมพอสมควรซึ่งข้อนี้จะพบว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงใช้คราวเดียวเท่านั้นเอง เป็นสัจจาทิ่ฐานในแนวนั้นคือสัจจาทิ่ฐานที่เต็มรูป ก, ก็ใช้เพียงครั้งเดียวเพราะว่าเรื่องทั้งหมดนั้นก่อนที่จะใช้สัจจะลงไปจะต้องอาศัยพิจนามองให้ท่องแท้ซสก่อนดังกล่าวแล้วเรื่องเราอื่นทั้งหมดที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติมาในสำนักของคณาจารย์เจ้าลทัทธิต่างๆในสมัยนั้นก็ไม่ถึงกับใช้สัจจาสัจจาทิฏฐานเพราะยังไม่รู้ว่าผลมันจะเป็นยังไง จะต้องมั่นใจในตัวผลเช่นก่อนจึงจะใช้สัจจาทิฏฐานแต่ในระดับที่ลดหลั่นลงมาก็จะพบว่าบุคคลสามารถใช้สัจจาอาธิษฐานหรือสัจจาทิฏฐานในชีวิตประจําวันของตนได้จะตั้งสัจจาทิฏฐานเป็นการควบคุมใจคือมีวินัยในตัวเองไม่มีใครรับรู้เรื่องสัจจะเหล่านั้นเราตั้งของเราเองไม่เหมือนกับสัจจะปฏิยานมีคนอื่นก็เป็นสักขีปยานในการปฏิยานของเรา เช่อธิษฐานใจว่าจะไหว้พระสวดมนต์ทุกเช้าหรือทุกเวลาใกล้รุ่งหรือก่อนนอนแล้วต้องพยายามทําให้ได้ไม่ว่าจะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามต้องพยายามทําให้ได้เพราะกิเลสนั้นขอให้แพ้แตกครั้งหนึ่งแม้ว่าหลังก็แพ้อีกมันเหมือนกับเขื่อนกั้นน้ําที่กั้นกันอยู่ในทุกวันนี้เองถ้าเกิดพังขึ้นมาในจุดใดจุดหนึ่งมันก็พร้อมที่จะทะลักพังกันไปเป็นแถบๆไป การต่อสู้กับกิเลส ก, ก็มีลักษณะเช่นนั้นซึ่งสัจจาธิฏฐานในระดับที่ลดหลั่นลงมาบุคคลสามารถกระทำได้เช่นอธิษฐานเวลาเข้าพรรษาซึ่งปฏิบัติกันอธิษฐานที่จะศึกษาธรรมะจะที่จะปฏิบัติธรรมะที่จะสมาทานศีล ร, รักษาศีลเป็นนิจิศีลเป็นต้นซึ่งเป็นพวกทั้งสัจจะปฏิญาณและเป็นทั้งสัจจาทิฏฐาน เพราะถ้าหากว่าสัจจะปฏิญาณเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่มีความเข้มแข็งมากพอเนื่องจากยังต้องอิงอาศัยคนอื่นเป็นสกีพยานอยู่แต่ถ้าถึงกับเป็นขั้นของสัจจาธิษฐานคืออธิษฐานมั่นคงดำรงไว้ภายในใจแล้วก็จะมีการควบคุมใจตนเองให้สามารถประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปาตามที่ตนอธิษฐานไว้ได้ ซึงหมายความว่าสัจจะที่จะต้องใช้จึงเป็นความจริงทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางจิตใจมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวแต่ก่อนที่จะอธิษฐานอะไรลงไปจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาเสมอเมื่อปฏิบัติได้เช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติอย่างมีหลักใจเป็นเครื่องคุ้มครองใจให้สัมผัสผลในระดับนั้นๆตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป